พันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสนพูดเจริญบุคคลไปสู่ชั้นฟ้าพรหมโลกและไปสู่อุตรากุรุทวีปและทวีปอันอื่นด้วยกายทั้งเป็นนั้นมีอยู่บ้างหรือว่าหามิได้พระนาคเสนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดูกระมหาบพิษมีอยู่บุคคลไปสู่พรหมโลกทั้งเป็นไปสู่อุตรากุรุทวีป